ปัญหาข้อที่25อธิบายและตอบปัญหาเรื่องพระจุลามณีเจดีย์ในสวรรค์มีจริงหรือไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรใครสร้างหมวยผมพระพุทธเจ้าที่ว่าเทวดาเอาไปบูชาเป็นจริงแค่ไหนคุณสมบัติทางจิตกับการเกิดของสิ่งแวดล้อมของโอปปาติกะความเข้าใจผิดของโอปปาติกะว่าเป็นผู้สร้างโลกสร้างสวรรค์ ปัญหาข้อที่25พระจุลามณีเจดีข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าจะอธิบายเรื่องพระจุลามณีเจดีเพราะในตอนแรกที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องผมของโอปะปาติกะข้าพเจ้าได้เรียนถามหลวงพ่อสมเด็จถึงเรื่องมวยผมของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดครั้งแรกซึ่งในคำพีร์กล่าวว่าพวกเทวดาได้เอาไปบรรจุไว้ในพระจุลามณีเจดีในสวรรค์ และท่านได้ตอบว่าความจริงในเรื่องนี้ผมที่เป็นคองมนุษย์ก็ยังคงอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองส่วนผมที่เทวดาเอาไปนั้นเป็นผมทิพย์เหมือนกับเมื่อบุคคลในโลกนี้ได้ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายด้วยวัตถุต่างๆเช่นเสื้อผ้าอาหารครั้นแล้วของเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในโลกทิพย์ซึ่งของที่เกิดในโลกทิพย์นั้นไม่ใช่ของที่ไปจากโลกมนุษย์เพราะของที่ทาบุญในโลกมนุษย์ ก็ยังคงอยู่ในโลกมนุษย์แต่ของในโลกทิพย์ซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันกับของในโลกมนุษย์ได้เกิดขึ้นนั้นเป็นของอีกอันหนึ่งซึ่งเกิดจากจิตใจของผู้รับส่วนกุศลข้อเท้จริงอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะแย้งว่าของที่จะเกิดในโลกทิพย์ได้จะต้องเป็นของที่คนในโลกมนุษย์ทำบุญให้หรือไม่เช่นนั้น ก็ต้องเป็นของที่ทำพิธีเส้นให้ของนั้นจึงจะเกิดในโลกทิพย์ได้แต่ในกรณีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นการทำบุญและไม่ใช่เป็นการเส้นฉะนั้นมวยผมที่เป็นของทิพย์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรความจริงในเรื่องนี้เราไม่ทราบแน่เพราะในคำผีไม่ได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งใจจะให้แกเทวดาหรือไม่ เพียงแต่กล่าวว่าเทวดาได้รับเอาไปเท่านั้นสมมุติว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตั้งใจแต่พวกเทวดาทั้งหลายได้ตั้งใจมาก่อนแล้วที่จะมารับเอามวยผมนี้ไปในกรณีอย่างนี้มวยผมที่เป็นทิพย์ก็ยอมจะเกิดขึ้นได้และหลวงพ่อสมเด็จท่านได้สันนิฐานว่าเมื่อพระองค์ทรงตัดแล้วก็คงจะไม่ทิ้งไปเฉยๆเหมือนอย่างคนธรรมดา พระองค์อาจจะเอามวยผมไปลอยน้ําในแม่น้นําอโนมานาทีซึ่งในขณะที่ลอยพระองค์จะทรงอธิษฐานอย่างใดหรือไม่อันนี้ท่านไม่ทราบแต่ในกรณีที่ว่าแม้พระองค์จะไม่ทรงตั้งใจให้แก่เทวดาแต่เทวดาทั้งหลายก็ย่อมจะเนรมิตขึ้นมาได้นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แน่นอนในทํานองเดียวกับพวกเทวดาที่นับถือในเรื่องเจดีในเรื่องโบสถ์หรือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดก็ตาม อย่างที่ตนเองเคยนับถือเมื่อตอนอยู่ในโลกมนุษย์นั้นพวกเหล่านี้ก็สามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่ในคำภีได้กล่าวไว้ว่าเทวดาได้รับเอามวยผมของพระพุทธเจ้าไปบรรจุไว้ในจุลามณีเจดีซึ่งหมายถึงมณีเจดีอันเป็นที่บรรจุมวยผมเพราะคาว่าจุลาแปลว่ามวยผม พระจุลามณีเจดีสร้างขึ้นมาได้อย่างไรปัญหาข้อนี้ท่านได้ตอบว่าสำหรับพระจุลามณีเจดีที่อยู่ในภูมิต่ำพวกโอปปาติกะที่อยู่ในภูมินั้นสร้างขึ้นเองไม่ได้แต่จะมีโอปปาติกะในภูมิสูงไปสร้างไว้ให้ทั้งนี้ก็เพื่อให้โอปปาติกะในภูมิต่ำนั้นได้ยึดเหนี่ยวเพื่อเป็นที่พึ่งในทางใจในอันที่จะให้ใจเป็นกุศล เช่นเดียวกับในโลกมนุษย์ในท้องถิ่นที่กันดานประชาชนส่วนใหญ่ยากจนไม่สามารถจะสร้างวัดขึ้นมาด้วยกําลังของเขาได้แต่ก็จะมีคนจากถิ่นอื่นซึ่งมีฐานะดีมีความรู้ความสามารถไปสร้างวัดเอาไว้ให้สําหรับคนในถิ่นนั้นแต่นี้ก็เป็นเพียงการเปรียบเทียบในบางแง่เท่านั้นเพราะว่าโดยปกติโอปปัติกะในภูมิต่ําแม้จะได้ชื่อว่าอยู่ในสุขติภูมิ ซึ่งภูมิที่ว่านี้อยู่ในบรรยากาศของโลกมนุษย์สำหรับโอปปาติกะในภูมินี้โดยธรรมดาไม่เข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองว่าตนเองเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขารู้แต่เพียงว่าเมื่อเขาเกิดมาเขาก็ได้พบสิ่งแวดล้อมต่างๆาอย่างที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นพระจุลามณีเจดีเขาจึงไม่รู้ว่ามีใครมาสร้างให้หรือเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ส่วนโอปปปาติกะในภูมิสูงย่อมจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเกิดของตัวเองและการเกิดของสิ่งแวดล้อมแต่ถึงกระนั้นขอบเขตแห่งความรู้ก็ยังแตกต่าง ก, กันออกไปอีกตามภูมิคือโอปปปาติกะในภูมิที่สูงเช่นในภูมิของผู้ที่ได้จตุทัชานคือฌานที่สี่หรือในภูมิของโอปปปาติกะที่เป็นพระอริยบุคคลท่านเหล่านี้ ย่อมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องจักรวาลดีกว่าในภูมิที่ต่ำกว่าตนเองรวมทั้งความสามารถในการบรรดาสิ่งบาล้อมต่างๆก็ดีกว่าแต่อย่างไรก็ดีพระจุลามณีเจดีซึ่งมีอยู่แต่ละภูมินั้นก็มีลักษณะไม่เหมือนกันทีเดียวเช่นในภูมิที่ต่ำกว่ารัศมีที่เกิดจากพระจุลามณีจะมีแสงสว่างไม่มากเท่าไหร่ ความสวยงามความพระณีก็แตกต่างกันส่วนในภูมิสูงแสงสว่างที่เกิดจากพระจุลามณีกล่าวคือแก้วมณีที่เป็นยอดของพระเจดีนั้นมีความสว่างมากและโดยธรรมดาแสงสว่างที่มีอยู่ในภูมิของโอปปปาติกาแต่ละภูมิส่วนใหญ่ก็มาจากพระจุลามณีเจดีวิธีการสร้างพระจุลามณีเจดี หลวงพ่อสมเด็จท่านอธิบายว่าเราจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อต้องเข้าใจเสียก่อนว่าร่างกายของโอปปปาติกาก็ดีเสื้อผ้าอาภรและที่อยู่ตลอดถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรต้องเข้าใจความจริงในเรื่องนี้เสียก่อนเพราะโดยปกติคนที่ไม่เข้าใจเรื่องอำนาจวิญญาณว่าสามารถบันดาลให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือจะพูดให้ชัดก็คือ ทุกอย่างมาจากอํานาจวิญญาณนั่นเองดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสําเร็จมาแต่วิญญาณซึ่งความจริงอันนี้ย่อมมีเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นในโลกของมนุษย์หรือในโลกของโอปปาติกะจะมีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่แต่เพียงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะ ที่ว่าเกิดจากวิญญาณ น, นั้นมองเห็นได้ง่ายและเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์ที่ว่าเกิดจากวิญญาณมองเห็นได้ยากต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาลึกซึ้งจริงๆเท่านั้นจึงจะรู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้ได้เพราะความเป็นไปหรือการเกิดของสิ่งต่างๆในโลกมนุษย์เช่นการเกิดของร่างกายทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนเรื่องนี้มานานแต่คนที่จะเข้าใจว่าวิาว ญ, ญญาณเป็นผู้สร้างชีวิต ก็ยังมีเป็นจำนวนน้อยมากแม้ในกลุ่มของผู้ที่ศึกษาในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากอำนาจจิตหรืออำนาจวิญญาณนั้นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริงๆแนะนำให้ฟังจากเสียงงานเรื่องวิญญาณคืออะไรนะครับตามหลักในคำพีของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ก็ปรากฏว่าพระเสขหรือพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นจึงจะรู้แจ้งเรื่องเหล่านี้เช่นที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าพระเสขะจะรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้พระเสขะจะรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกจากข้อความที่อ้างมานี้แสดงให้เห็นว่าคนที่จะรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดมาจากอำนา จ, จิตนั้นจะต้องเป็นพระอรยิยบุคคลหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาได้ผลพอสมควรสําหรับผู้ที่ศึกษาแต่ในทางปริยัตไม่ว่าจะศึกษามาจากขแขนงไหนก็เป็นการยากมากที่จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากวิญญาณหมาเหตุผู้อ่าน ถ้าเข้าใจกันจริงว่าทุกสิ่งเกิดมาจากวิญญาณก็จะเข้าใจกฎแห่งกรรมและหลักปฏิจจสมุปบาทได้อย่างถึงพื้นฐานของความจริงของธรรมชาติทั้งปวงและความเข้าใจนี้จะทําให้ลาสังโยชนามข้อแรกได้อันจะนําให้บรรลุปเป็นพระเสขะคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะครับเมื่อเรารู้กันจริงว่าทุกสิ่งเกิดจากจิตได้อย่างไรซึ่งก็เป็นหลักพื้นฐานที่ทําให้เข้าใจกฎแห่งกรรมหลักปฏิจจสมุปบาทและหลักอริยสัจสี่ ซึ่งความรู้เหล่านี้จะทําห้ลาสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคือสักกายะทิฐิความเห็นว่าคันห้าเป็นตัวตนสังโยชน์ข้อที่สองวิจิกิจชาความลังเลสงสัยซึ่งการบรรลุธรรมนั้นมีคําจํากัดความด้านหนึ่งว่าสิ้นสงสัยหากไม่เข้าใจว่าภพชาติมีจริงหรือเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งว่าภพชาติมีจริงสังสารวัตรมีจริงจิตในระดับลึกย่อมปล่อยวางไม่ได้ และย่อมไม่ขึ้นชื่อว่ารู้รมตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีอยู่กลับเชื่อว่าไม่มีหรือไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีและสังโยชน์ข้อที่สศสิลปัตตาปรามาตความยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิดที่งมงายไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์จะเห็นได้นะครับว่าสามข้อเบื้องต้นนั้นจะละ ก, กันได้จริงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าภพชาติสังสารวัตในแบบชาตินี้ชาติหน้านั้นมีอยู่จริง แล้วรู้ชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากอํานาจจิตหรือวิญญาณจริงขอให้สังเกตว่าผู้ที่ตายแล้วไปเกิดเป็นโอปปาติกะนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาก็จะพบว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ในภูมิของตัวนั้นได้มีอยู่ก่อนแล้วซึ่งใครจะไปเกิดในภูมิไหนมีสิ่งแวดล้อมอย่างไร ก็สุดแล้วแต่สภาพแห่งจิตใจของตนและในโลกของโอปปาติกานั้นทุกคนได้อยู่ตามภูมิของตอนเองจริงๆไม่มีการปะปนกันเหมือนกับในโลกมนุษย์กล่าวคือใครมีสภาพแห่งจิตใจอย่างไรอยู่ในระดับไหนก็จะไปเกิดอยู่ร่วมกันในภูมิที่เหมาะสมกับจิตใจของตนจากข้อสังเกตอันนี้ก็จะทาให้เข้าใจง่ายว่าสิ่งแวดล้อมในโลกของโอปปาติกะ ไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจจิตของคนคนเดียวหรือของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะอาจแต่เกิดจากอำนาจจิตโดยส่วนรวมของผู้ที่อยู่ในภูมินั้นๆทั้งหมดนี่คือหลักเกณฑ์โดยทั่วไปและอีกในย่าหนึ่งขอให้สังเกตว่าโอปปาติกาทั้งหลายที่อยู่ในภูมิต่ำไม่สามารถแม้กระทั่งจะสร้างอาหารด้วยอานาจจิตของเขาต้องอาศัยญาติพี่น้องทาบุญไปให้ หรือทำพิธีเส้นให้ทั้งๆ ท, ที่อาหารที่เกิดขึ้นจากผู้อื่นทำบุญไปให้นั้นก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจจิตของตนเองแต่ก็ไปมีความสัมพันธ์กับอำนาจจิตของคนที่อยู่ในโลกมนุษย์แต่โอปปาติกาที่อยู่ในภูมิสูงซึ่งเป็นภูมิของคนที่ได้สร้างความดีเอาไว้มากนั้นสามารถที่จะสร้างอาหารและเสื้อผ้าตลอดถึงสิ่งแวดล้อมบางอย่างได้ด้วยอานาจจิตของเขา แต่ก็สร้างไม่ได้ทุกอย่างในเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในภูมิที่สูงกว่าและสำหรับโอปปปาติกะที่อยู่ในภูมิสูงมากเช่นผู้ที่ได้สมาบัตทั้ง8ดแต่ก็เกิดในภูมินั้นด้วยวิบาสของรูปฌานขั้นที่สีและเป็นคนที่เคยได้อภิญญามามากในสมัยที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์พวกนี้มีอำนาจบันดาลสูงมากจนกระทั่งโอปปาติกะในขั้นนี้ บางคนเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ที่สร้างโลกมนุษย์และสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ขึ้นมาความเข้าใจผิดอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับโอปปาติกะที่ไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทพระผู้ที่เข้าใจในหลักปฏิจจสมุปบาทยอมจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความสัมพันธ์กันและต่างก็อาศัยซึ่งกันและกัน การเกิดของสิ่งแวดล้อมในโลกของโอปาปาติกะเราจะเข้าใจได้ก็แต่เพียงหลักใหญ่ๆดังที่กล่าวมาส่วนข้อปลีกย่อยหรือรายละเอียดจะรู้ได้จริงๆ <OR US D> ก็ต่อเมื่อสามารถไปเห็นด้วยตัวของตัวเองแต่นั่นหมายความว่าจะต้องมีการศึกษาให้รู้ถึงความเรียนลับและกฎเกณฑ์ต่างๆในโลกของโอปาปาติกะด้วยจึงจะสามารถเข้าใจได้ฉะนั้น ผู้ที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆก็ต้องไปเกิดเป็นโอปปาติกาและจะต้องเป็นคนมีสติปัญญาสูงมีภูมิธรรมสูงไปจากโลกมนุษย์แล้วจึงจะสามารถเข้าใจได้ท่านบอกว่าเท่าที่อธิบายมานี้ก็ออจจะเป็นการมากเกินไปแล้วสำหรับผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ถ้าขืนอธิบายมากกว่านี้แทนที่จะให้ความกระจ่างก็กลับจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นอีกมากมายและไม่สามารถจะเข้าใจได้ด้วย เพราะฉะนั้นท่านจึงคอยุติไว้แต่เพียงนี้จบเสียงอ่านหนังสือปาฏิหารมีได้อย่างไรโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอ่านโดยอริยคุณ ขอทุกท่านร่วมมนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ณพัชชาทวินกมลพัฒพีรพัฒอุตราสริติกุลอภิชาติศรีรัตนอารามยานินเวียงเกตภูณสีช่างพินิษฐุติเดชสุภกิจสินวิรัตส่งผลวิไลวันคุณเพิ่มทวีรัตมนทิปดิสยมานนันทิสาแดงโนรลักษรัศมีสุทธิศักดิ์อริยกุลกนิยาบุญธกาณน์รอบรัวงามสุริยพงศ์รอบรัวมนทาทิพกุล